พรันทุกาลามสูตรว่าด้วยพรันทุดาบทกาลามโคตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโคศนเสด็จถึงกรุ่มกบิลพัทเจ้ามหานามะสักยะได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงกลุ่มกบิลพัทโดยลำดับแล้วครั้งนั้นเจ้ามหานามะสักยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวยอภิวาทแล้วได้ยืนณนที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้ามหานามะสากยะดังนี้ว่ามหานามะไปเถิดเธอจงพิจารณาดูสถานที่พักในกรุงกระเบรพัทที่เราจะอยู่ได้สักคืนหนึ่งในวันนี้เจ้ามหานามะสากยะทูลรับสนองพระตํารัสแล้วเข้าไปกรุงกระเบรพัทเที่ยวไปจนทั่วกรุงกระเบรพัท ไม่เห็นสถานที่พักที่พระผู้มีพระภาคพอจะประทับได้สักคืนหนึ่งลำดับนั้นเจ้ามหานามาสากยะก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในกรุงกบิลพั์ไม่มีสถานที่พักที่พระผู้มีพระภาคพอจะประทับได้สักคืนหนึ่งในวันนี้ พรันทุดาบทกาลมาโคดนี้เป็นเพื่อนพรหมจารีเก่าของพระผู้มีพระภาคในวันนี้ขอพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในอาสมของพระรันทุดาบทนั้นสักคืนหนึ่งพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าจงไปปูเครื่องปูลาเถิดมหานามะเจ้ามหานามะสักยะทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปยังอาสมของพระรันทุดาบทกาลมาโคด ปูเครื่องลาดจัดน้ําสําหรับล้างเท้าไว้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วเรียกราบทูลดังนี้ว่าข้าพระองค์ได้ปูเครื่องลาดแล้วได้จัดตั้งน้ําสําหรับล้างพระบาทแล้วบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงทราบการอันควรเถิดพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังอาสมของพรันทุดาบทการามโคตร ประทับนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไ้แล้วทรงล้างพระบาททั้งสองลำดับนั้นเจ้ามหานามะสกยะคิดว่าวันนี้ไม่ใช่เวลาเหมาะที่จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงเหน็ดเหนื่อยในวันพรุ่งนี้เราจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจึงถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้นพอล่วงราตรีนั้นไป เจ้ามหานามะสากยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้ามหานามะสากยะนั้นดังนี้ว่ามหานามะศาสดาสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกาศาสดาสามจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งศาสดาบางท่านในโลกนี้บัญญัติการกําหนดรู้กาม ไม่บัญญัติการกำหนดรู้รูปไม่บัญญัติการกำหนดรู้เวทนา 2. ศาสดาบางท่านในโลกนี้บัญญัติการกำหนดรู้กามและบัญญัติการกำหนดรู้รูปไม่บัญญัติการกำหนดรู้เวทนา 3. ศาสดาบางท่านในโลกนี้บัญญัติการกำหนดรู้กามบัญญัติการกำหนดรู้รูปและบัญญัติการกำหนดรู้เวทนามหานามะ ศาสดาสามจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกจุดมุ่งหมายของศาสดาสามจำพวกนี้เป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพรันทุดาบทกาละมะโคดได้กล่าวกับเจ้ามหานามะสากยะว่ามหานามะท่านจงกราบทูลว่าจุดมุ่งหมายของศาสดาสามจำพวกเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพรันทุดาบทกล่าวอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับเจ้ามหานามะสากยะว่ามหานามะเธอจงกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของาศาสดาสามจำพวกต่างกันแม้ในครั้งที่สองพระรันตุดาบทการมโคตรได้กล่าวกับเจ้ามหานามะสากยะว่ามหานามะท่านจงกราบทูลว่าเป็นอย่างเดียวกันแม้ในครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับเจ้ามหานามะสากยะว่ามหานามะเธอจงกล่าวว่าต่างกันแม้ในครั้งที่สาพระรัตุดาบท卡尔มาโคดเรียกกล่าวกับเจ้ามหานามะสากยะว่ามหานามะท่านจงกราบทูลว่าเป็นอย่างเดียวกันแม้ในครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้ามหานามะสากยะว่ามหานามะ เธอจงกล่าวว่าต่างกันลำดับนั้นพระรันทุดาบทกาลมโคคิดว่าเราถูกพระสมณโคโดมลุกรานแล้วถึงสามครั้งต่อหน้าเจ้ามหานามะสากยะผู้มีศักย์ใหญ่ทางที่ดีเราพึงหลีกไปเสียจากกรุงกบิลพัททีนั้นพระรันทุดาบทกาลมโคดไปจากกรุงกบิลพัทหนีห่างจากกรุงกบิลพัทไม่หวนกลับมาอีกเลย พระรันทุการะมะสูตรที่สจบ 5. หัตตกะสูตรว่าด้วยหัตตกะเทพบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถะเบนิกะเศรษฐี เคครูงสาวัตถีครั้งนั้นหัตถะเทพบุตรเมื่อปฐมยามผ่านไปมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัสมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคิดว่าจกยืนตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคกลับสุดลงนั่งตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคไม่สามารถยืนอยู่ได้ เปรบเหมือนเนยใสหรือน้ำมันที่เขาเทลงบนทรายย่อมซึมลงไม่ขังอยู่หัตถะเทพบุตรคิดว่าจะยืนตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคกลับสุดลงนั่งตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคไม่สามารถยืนอยู่ได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับหัตถะเทพบุตรว่าหัตถะท่านจงเนรมิตร่างอย่างหยาบหยาบ หัตกะเทพบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเนรมิตร่างอย่างหยับหยาบถวายอภิวาสแล้วได้ยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้กับฮัตกะเทพบุตรดังนี้ว่าหาตกะทาประจําตัวของท่านเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ในการก่อนบัดนี้ยังมีอยู่ประจําตัวท่านบ้างไหมหตกะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ทำประจำตัวของข้าพระองค์เมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ในการก่อนมาบัดนี้ยังมีอยู่ประจำตัวของข้าพระองค์และทำที่ไม่ได้มีอยู่ประจำตัวข้าพระองค์เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ในการก่อนมาบัดนี้กลับมีอยู่ประจำตัวข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในปัจจุบันนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่รายล้อมไปด้วยเหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา พระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกดีรถัถีสาวกของดีรถัถีแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันรายล้อมไปด้วยเทพบุตรทั้งหลายอยู่พวกเทพบุตรพากันมาจากถิ่นไกลด้วยตั้งใจว่าจะฟังธรรมในสำนักของหัตถะเทพบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังไม่อิ่มยังไม่เบื่อทำสามประการก็จุติสิกร ทำสมประการอะไรบ้างคือ 1. น่ข้าพระองค์ยังไม่อิ่มยังไม่เบื่อการเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็จุติเสียแล้ว 2. องข้าพระองค์ยังไม่อิ่มยังไม่เบื่อการฟังสัตยธรรมก็จุติเสียแล้ว 3. ข้าพระองค์ยังไม่อิ่มยังไม่เบื่อการบำรุงพระสงฆ์ก็จุติเสียแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังไม่อิ่มยังไม่เบื่อทำสามประการนี้ ก็จุติเสียแล้วหัตถะเทพระบุเรื่อกล่าวคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าความอิ่มในการเฝ้าพระผู้มีพระภาคการฟังสัจธรรมการบำรุงพระสงฆ์จากมีในการไหนๆเป็นแน่แท้หัตถะอุบาสกยังศึกษาอธิศีนอยู่ยินดีแล้วในการฟังสัจธรรมยังไม่อิ่มทำสามประการก็ไปพรหมโลกชั้นอวิหาเสียแล้ว หัตกสะสูที่หจบ <ś led> 6. กระตุวิยสูตรว่าด้วยความมักใหญ่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมรุกขายวันเขกรรงพารานสี ครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทจีวรนเสด็จเข้าไปสู่กรุงพารณสีเพื่อบินธบาตพระผู้มีพระภาคกําลังเที่ยวบินธบาติในสํานักของพวกมีลักคะที่ชุมนุมกันอยู่ในที่ซื้อขายโคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปหนึ่งผู้ไม่มีความแช่มชื่นมีแต่ความแช่มชื่นภายนอกหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่น มีจิตกวัดแกงไม่สมรวมอินทรีย์ครั้นแล้วได้ตรัสกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าภิกษุออย่าได้ทำตนให้เป็นผู้มักใหญ่เป็นไปไม่ได้เลยที่มแมลงวันจกไม่ตอมไมกัดตนที่มักใหญ่ชุ่มเพราะกินดิบครั้นภิกษุนั้นได้รับพระโอวาทนี้จากพระผู้มีพระภาคแล้วก็ถึงความสังเวชลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวบินธบาตในกรุงพาราณสี ในเวลาภายหลังพัดเสด็จกลับจากเที่ยวบินธบาตได้รับสั่งเรือพิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าในเช้าวันนี้เรานุ่งอันตรวาสกถือบาทจีวอนเข้าไปสู่ครุงพารณสีเพื่อบินทบาตเรากำลังเที่ยวบินธบาตในสำนักของพวกมีลักขะที่ชุมนุมกันอยู่ในที่ซื้อขายโคได้เห็นภิษุรูปหนึ่งผู้ไม่มีความเช่มชื่นมีแต่ความเช่มชื่นภายนอกหลงลืมสติ ไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวหดแข็งไม่สำรวมอินทรีย์ครั้นแล้วเรื่กล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าภิกษุเธออย่ได้ทำตนเป็นผู้มักใหญ่เป็นไปไม่ได้เลยที่มแมลงวันจกไม่ตอมเมื่อกัดตนที่มักใหญ่ชุ่มเพราะกลิ่นดิบนั้นครั้นเรากล่าวสอนด้วยโอวาทนี้แล้วภิกษุนั้นก็ถึงความสังเวช เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งเลืกราบททนพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมักใหญ่คืออะไรกลิ่นดิบคืออะไรแมลงวันคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุความมักใหญ่คืออภิชากลิ่นดิบคือพยาบาทแมลงวันคือบาปอากุศ ล, ลวิกตกภิกษุ เป็นไปไม่ได้เลยที่มเมลงวันจากไม่ตอมเมี่ยกัะตนที่มักใหญ่ชุ่มเพราะกลิ่นดิบมเมลงวันคือความดมฤที่อิงราคะจากไตตอมบุคคลที่ไม่คุ้มครองในจกักขคุทวารและโสตทวารไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุทำตนให้เป็นผู้มักใหญ่ชุ่มเพราะกลิ่นดิบย่อมอยู่ห่างไกลาจากนิพพานมีแต่ความคับแคนเท่านั้นคนพานมีปัญญาสาม ผูกมแมลงวันไต่ตอมไม่ได้พื้นที่เสมอตนพึงเที่ยวไปในบ้านบ้างในป่าบ้างส่วนพวกที่สมบูรณ์ด้วยศีลยินดีในธรรมที่สงบด้วยปัญญาเป็นผู้สงบระ ง, งับอยู่เป็นสุขมแมลงวันย่อมไม่รบกวนเขากระตุวิยะสูตรที่หจบ เจตปฐมมอนุรุทธสูตรว่าด้วยพระอนุรุธสูตรที่หนึ่งครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรดรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาศด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ ข้าพระองค์เห็นแต่มาตุคามสตรีโดยมากหลังจากตายแล้วจ ะ, ปวขขปะ ไ, เไจจะเปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกมาตุคามประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุรุตทะมาตุคามประกอบด้วยธรรมสามประการหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก ทำสามประการอะไรบ้างคือมาตุคามในโลกนี้ 1. ในเวลาเช้าถูกมนทินถือความตรณีกลุ่มรุมจิตอยู่ครองเรือน 2. ในเวลาเที่ยงถูกความริษยากลุ่มรุมจิตอยู่ครองเรือน 3. ในเวลาเย็นถูกกามราคะกลุ่มรุมจิตอยู่ครองเรือนอนุรุตธะมาตุคามประกอบด้วยทำสามประการนี้แหล หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกปฐมมอนุรุทธสูตรที่7จบ 8. ทุติยอนุรุทธสูตรว่าด้วยพระอนุรุธสูตรที่สอง ครั้งนั้นพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยกับท่านพระสารีบุตรพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรขอโอกาสผมตรวจ ด, ดูทั่วโลกพันโลกด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ก็ผมเองบำเพ็ญเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไม่หลงลืม กายก็สงบระงับไม่ระสำมระสายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งแต่เพราะเหตุไรเล่าจิตของผมจึงยังไม่พ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านอนุรุทธะการที่ท่านคิดเห็นอย่างนี้ว่าเราตรวจ ด, ดูโลกพันโลกด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์นี้เป็นเพราะมานะของท่านเองการที่ท่านคิดเห็นอย่างนี้ว่า ก็เราบำเพ็ญเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไม่หลงลืมกายก็สงบระงับไม่ระสำมระสายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งนี้เป็นเพราะความฟุ้งซ่านของท่านเองการที่ท่านคิดเห็นอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรเล่าจิตของเราจึงยังไม่พ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นนี้เป็นเพราะความรำคาญของท่านเองท่านอนุรุท ธ, ธะเอาเถอะท่านจงละทำสามประการนี้ ไม่มานาสการถึงทำสามประการนี้แล้วน้อมจิตไปในอมตะธาตุครั้นต่อมาท่านพระอนุรุทธะละทำสามประการนี้ไม่มานาสการถึงทรสามประการนี้น้อมจิตไปในอมตะธาตุหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุตรกายและใจอยู่ไม่นานนักได้ทําให้แจ้งที่สุดซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่คุณบุบรออกจากเรือนบทเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จอปรมจาจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายทุติยอนุรุทธสูที่8ดจบ 9. ปฏิชันนสูตรว่าด้วยสิ่งที่ปิดดีเปิดไม่ดีภิกษุทั้งหลายสิ่งสามอย่างนี้ปิดบังไว้จึงดีเปิดเผยไม่ดีสิ่งสามอย่างอะไรบ้างคือ หมาตุคามสตรีปิดบังไว้จึงงดงามเปิดเผยไม่งดงาม 2. อมณ์ของพรามปิดบังไว้จึงขลังเปิดเผยไม่ขลัง 3. มิชาทัทิธิปิดบังไว้จึงดีเปิดเผยไม่ดีภิกษุทั้งหลายสิ่ง3มอย่างนี้แลปิดบังไว้จึงดีเปิดเผยไม่ดีสิ่งสามอย่างนี้ปเปิดเผ ย, ย, ยจึงรุ่งเรือง ปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองสิ่งสามอย่างอะไรบ้างคือ 1. ดวงจันทร์เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรือง 2. ดวงอาทิตย์เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรือง 3. ามธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศไว้เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองภิกษุทั้งหลายสิ่งสามอย่างนี้แหลเปิดเผยจึงรุ่งเรือง ปิดบางไว้ไม่รุ่งเรืองปฏิชนะสูตรที่เก้าจบสิบเลขะสูตรว่าด้วยบุคคลกับรอยขีดภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก บุคคลสมจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหิน 2. บุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดิน 3. บุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดที่ น, น้ำบุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเป็นประจำและความโกรธนั้นของเขาก็หมักหมมอยู่นานรอยขีดบนแผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้าย่อมติดอยูอย่นานแม้ชั้นใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโกรธเป็นประจำและความโกรธนั like ้นของเขาก็หมักหมมอยู่นานนี้เรียกว่าบุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินบุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเป็นประจำแต่ความโกรธนั้นของเขาไม่หมักหมมอยู่นาน รอยขีดที่แผ่นดินย่อมลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำไม่ปรากฏอยู่นานแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโกรธเป็นประจำแต่ความโกรธนั้นของเขาไม่หมักหมมอยู่นานนี้เรียกว่าบุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินบุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้จะถูกว่าด้วยคำหนัก แม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบแม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่น่าพอใจ <c oughs> ก็ยังสมานไมตรี <c oughs> กลมเกลียวอยู่ปรองดองกันอยู่รอยขีดที่น้ำย่อมขาดหายไปเร็วไม่ปรากฏอยู่นานแม้ชันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ชันนั้นเหมือนกันแม้จะถูกว่าด้วยคำหนักแม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบแม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่น่าพอใจก็ยังสมานไมตรีกลมเกลียวอยู่ รองดองกันอยู่ได้นี้เรียกว่าบุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขี่ที่น้ำภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกเลขสูตรที่สิบจบกุศินารวักที่สามจบรวมพระสูตรที่มีในวร์นี้คือหนึ่งกุศินารสูตรสองพันธะสูตรสาม โคตมกะเจติยสูตรสี่พรันทุกาลามสูตร 5. ห้าหัตตกะสูตรหกกระตุวิยะสูตรเจ็ดปฐมมะอนุรุทธสูตรแปดทุติยะอนุรุทธสูตรเก้าปฏิชนะสูตรสิบเลขสูตร สโยธาชีววัชหมวดว่าด้วยนักรบอาชีพ 1. โยธาชีวสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของนักรบนักรบอาชีพประกอบด้วยองค์สามประการย่อมคู่ควรแก่พระราชาเหมาะแก่พระราชาถึงการนับว่าเป็นราชองครักษ์โดยแท้องค์สามประการอะไรบ้างคือนักรบอาชีพในโลกนี้หนึ่ง ยิงลูกศรได้ไกล 2. ยิงไม่พลาด 3. ทําลายกายขนาดใหญ่ได้นักรบอาชีพประกอบด้วยองค์สามประการนี้ย่อมคู่ควรแก่พระราชาเหมาะแก่พระราชาถึงการนับว่าเป็นราชองครักษ์โดยแท้ฉันใดภิกษุประกอบด้วยองค์สามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายละถึง เป็ น, นาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกองคศาประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิในนี้ 1. นึ่งยิงลูกศรได้กไกล 2. ยิงไม่พลาด 3. ทําลายกายขนาดใหญ่ได้ภิกษุยิงลูกศรได้กไกลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิในนี้พิจารณาเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาเห็นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียด เลวหรือประนีตไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาเห็นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกอย่าปรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น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 ภิกษุยิงลูกศรไม่พลาดเป็นอย่างไรเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกขนี้ทุกขนิโรธความดับทุกขนี้ทุกขานิโรธคามิหนีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ภิกษุชื่อว่ายิงลูกศรไม่พลาดเป็นอย่างนี้แลภิกษุทําลายกายขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างไร พือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทําลายกองอวิชชาใหญ่ได้ภิกษุชื่อว่าทําลายกายขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยองค์สามประการนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกโยธาชีวสูตรที่หนึ่งจบ ปริสาสูตรว่าด้วยบริษัทภิกษุทั้งหลายบริษัทสามจำพูกนี้บริษัทสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่แนะนํายาก 2. บริษัทที่แนะนําง่าย 3. บริษัทที่แนะนําแต่พอประมาณก็รู้ได้ภิกษุทั้งหลายบริษัทสามจำพวกนี้แหละปริสาสูตรที่สองจบ มิตรัดสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของมิตรแท้ภิกษุทั้งหลายมิตรผู้ประกอบด้วยองค์สามประการควรครบหาได้องค์สามประการอะไรบ้างคือ 1. ให้สิ่งที่ให้ได้ยาก 2. ช่วยทําสิ่งที่ทําได้ยาก 3. อดทนต่อสิ่งที่ทนได้ยากภิกษุทั้งหลายมิตรผู้ประกอบด้วยองค์สามประการ น, นี้แหลควรครบหาได้ มิตรสูรที่สจบ 4. อุปาทาสูว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งพระตาคตภิกษุทั้งหลายตาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นตถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงครั้นรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ตาถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ครั้นรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกาหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ตาถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นตถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นว่า ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาครั้นรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาอุปทาสูตรที่สี่จบ กัมพลลสูตรว่าด้วยว่าทะของมคคุลเปรียบเหมือนผ้ากัมพลทอด้วยผมคนภิกษุทั้งหลายผ้ากัมพลทอด้วยผมคนบัณฑิตเรียกว่าเลวขวาผ้าที่ช่างหูกทอแล้วทุกชนิดผ้ากัมพลทอด้วยผมคนในฤดูหนาวก็เย็นในฤดูร้อนก็ร้อนสีไม่สวยมีกลิ่นเหม็นเนื้อผ้าไม่อ่อนนุ่มแม้ชันใด ว่าทะของเจ้าลัทธิชื่อมัคลิก็ฉันนั้นเหมือนกันบัณฑิตกล่าวว่าเลวกว่าวาทะของสมณะทุกจำพวกมัคลิเป็นโมคบุรุษคนไร้ค่ามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีตลอดอดีตการนยาวนานแม้พระผู้มีประภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องกรรม ตรัดเรื่องกิริยาและตรัดเรื่องความเพียรโมคบุรุษชื่อมคคลิกลับคัดค้านพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จักมีในอนาคตการก็จะตรัดเรื่องกรรมตรัดเรื่องกิริยาและตรัดเรื่องความเพียรโมคคะรุษชื่อมคคลิ กลับคัดค้านพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีแม้เราที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ยังกล่าวเรื่องกรรมกล่าวเรื่องกิริยากล่าวเรื่องความเพียรโมคคบุรุษชื่อมคัคลิก็คัดค้านแม้เราว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีภิกษุทั้งหลายโมคคบุรุษชื่อมคลิ เป็นเหมือนใสดักมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกเพื่อไม่เก้อกูลเพื่อทุกเพื่อความฉิบหายเพื่อความพินาศของสัตว์เป็นจํานวนมากเปรียบเหมือนบุคคลเพิ่งวางไสดักปลาไว้ที่ปากอา่าวเพื่อไม่เก้อกูลเพื่อทุกเพื่อความฉิบหายเพื่อความพินาศของปลาเป็นจํานวนมากเยสักักรรมพ ล, ลสูตที่ห้าจบ สัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทาภิกษุทั้งหลายสัมปทาสามประการนี้สัมปทาสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาสศีละสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 3. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายสัมปทาสามประการนี้แหล สามปทาสูที่6จบ 7. วุธิสูรว่าด้วยวุธิภิกษุทั้งหลายวุธิสประการนี้วุธิสมประการอะไรบ้างคือ 1. สศัทธาวุธิความเจริญด้วยศรัทธา 2. ส, สีลวุธิความเจริญด้วยศีล 3. ปัญญาวุธิความเจริญด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายวุธิสามประการนี้แหลวุธิสูตรที่7 จ, จบ 8. อั ส, สะคลุงกะสูตร ว่าด้วยม้ากระจอกและคนกระจอกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงม้ากระจอกสามจำพวกและคนกระจอกสามจำพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าม้ากระจอกสามจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้ สมบูรณ์ด้วยกำลังวิ่งแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยสีสันไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 2. งม้ากระจอก บ, บางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยกำลังวิ่งและสมบูรณ์ด้วยสีสันแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 3. มม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยกำลังวิ่งสมบูรณ์ด้วยสีสันและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ภิกษุทั้งหลาย มากระจอกสามจำพวกนี้แหละคนกระจอกสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนกระจอกบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยเชาแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันนะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 2. คนกระจอกบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยชาและสมบูรณ์ด้วยวันนะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 3. คนกระจอกบางคนในโลกนี้ สมบูรณ์ด้วยเชาสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่คนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันนะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิในนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขละถึงนี้ทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาเรากล่าวว่านี้เป็นชาของเขา แต่เขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยก็จนปัญญาตอบไม่ได้เรากล่าวว่านี้ไม่ใช่วันณะของเขาและเขาไม่ได้จีวรบินธบาศเสนาสนะกีฬานปัจจัยเพศบริขารเรากล่าวว่านี้ไม่ใช่ความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาวแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันณนะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ เป็นอย่างนี้แลคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาวและสมบูรณ์ด้วยวันนะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขและถึงนี้ทุกขนิโรธคาม่มีปฏิปทาเรากล่าวว่านี้เป็นเชาวของเขาและเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยก็ตอบได้ไม่จนปัญญา เรากล่าวว่านี้เป็นวั น, นะของเขาแต่เขาไม่ได้จีวรนบินทบาทเศเสนาสนะคิฬานปัจจัยเพศบริคารเรากล่าวว่านี้ไม่ใช่ความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาวและสมบูรณ์ด้วยวันนะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แลคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาวสมบูรณ์ด้วยวันนะ และสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกและถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินยัยก็ตอบได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาและเขาได้จีวรบินทบาทเสนาสนะ คีฬานปัจจัยเพศสัตวบริคารเรากล่าวว่านี้เป็นความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาวสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายคนกระจอกสามจำพวกนี้แหลอาสักหลุงกระสูดที่แปจบ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 คนดีสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนดีบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยเชาวแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันนะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 2. คนดีบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยเชาวและสมบูรณ์ด้วยวันณะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 3. คนดีบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยเชาวสมบูรณ์ด้วยวันณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ คนดีสมบูรณ์ด้วยเชาวแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันณะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิในนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปจักเป็นโอปปาติกะปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นแน่นอนเรากล่าวว่านี้เป็นเชาวของเขาแต่เขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวิัยก็จนปัญญาตอบไม่ได้ เรากล่าวว่านี้ไม่ใช่วั น, นะของเขาและเขาไม่ได้จีวรบินตาบะเสนาสนะกีฬานปัจจัยเพศสัตวบริขารเรากล่าวว่านี้ไม่ใช่ความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายคนดีสมบูรณ์ด้วยเชาวแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันนะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แหลคนดีสมบูรณ์ด้วยเชาวและสมบูรณ์ด้วยวันนะ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่มห้าประการสิ้นไปจากเป็นโอปปาติกะปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นแน่นอนเรากล่าวว่านี้เป็นเชาวของเขาและเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินยัยก็ตอบได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นวรณะของเขา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 เคอภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสังโยชน์เบื้องตามหาประการสิ้นไปจากเป็นโอปปาติกะปรินิพานในพบนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นแน่นอนเรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยก็ตอบได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นวั น, นะของเขาและเขาได้จีวรบินทบาทเสนาสะนะ คีฬานปัจจัยเพษัตบริคารเรากล่าวว่านี้เป็นความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายคนดีสมบูรณ์ด้วยเชาวสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายคนดีสามจำพวกนี้แลอาส ะ, สะสัทสะสูที่เกจบ